เพียงร่างกายเท่านั้นทำให้คิดตปมากมายเหมือนกันมันแม้แต่นั่งอยู่นั่งแต่นังเอามาเป็นอารมณ์คิดเรื่องนี้อีกทีถ้าไมีสัมงผ่าแล้วเป็นนะคิดหลายเนี่ยหลายกระทงพิจารณาถึงเรื่องมัตตวนวนไปวนมาเกิดขึ้นมาอายุสั้นยุยยาวก่อน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 จนถึงจนกระทั่งถึงขั้นสุดทาวาสก็ยังไม่พ้นที่กิเลสจะไม่บังคับจิตใจเพราะเวลานั้นยังมีกิเลสอยู่ถึงจะสะเอียดเพียงไรก็เรียกว่ากิเลสอยู่นั่นแหละจนกระทั่งพ้นจิตได้เต็มภูมิแล้วในขั้นสุดทาวาสก้าขึ้นสู่อรหัตภูมิผ่านนิพพานไปเลยนั่นเด็กว่าเป็นผู้พ้แล้วจากโทษ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 เป็นสิ่งที่เป็นธรรมชาติที่เราจะฝากเป็นสายตาได้ตลอดการทุกมื้อตลอดทบตลอดชาติในวัตฏะวนที่เราโบกเยือนกันมาอยูน่นี้ไม่มีอันใดที่จะเป็นเครื่องยึดด้วยความร่มเย็นจิตใจเหมือนทำนี่เลยทำโมหะเวรคติธรมรมใจถ้าทำย่อมรักษาผู้ปฏิบัติธรรมคำว่าพระธรรมรักษาคืออย่างไร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 ไปดูเมนท่านวันนี้ก่อไปเห็นประชาชนมากมายก่กยกองก็เกิดความสงสารแล้วทำให้คิดถึงเรื่องความเป็นความตายเฉพาะ อ, อย่างนี้คิดถึงองค์ของท่านที่ท่านตั้วใปฏิบัติมาก็เป็นวาระสุดท้ายไว่ที่เมนนี่เป็นอันว่าหมดความหมายทุกสิ่งทุกประการภายในร่างกาย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 ลำถึงำพันกับตัวเองพอเห็นชัดเจนก็จริงๆครเกิดความขยักขยแงเกิดความสฉลดสังเวสแล้วใจเบาไม่มีอะไรจะบอกให้ถูกได้เพราะความหนักก็ได้แกความยึดความถือพอเข้าใจสิ่งนี้ชัดเจนประจักษ์ในขณะนั้นมันก็ถอนออกมาจิดเบาโล่งไปหมดจากนั้นกำหนดลงไปทนัทนทันทลายไปแหลกเหลวไปหมดลายเป็นดินเป็นน้าเป็นลมไปไฟจิตปรากฏเป็น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 ว่างเพราะวางร่างกายด้วยเพราะจิตทะลุร่างกายทั้งหมดความเป็นขิ้นเป็นอันเป็นท่อนเป็นก้อนเป็นอะไรนี่ทะลุออกหมดหาคิ้นหาก้อนไม่มีกลายเป็นอากาศธ า, ธาตุไปหมดเลยนี่หมายถึงร่างกายเวทนามันก็มีแต่เพียงยึดคับยึดคับยึดยิดๆๆยเปิดภายในร่างกายมันก็ว่างของมันเองเหมือนกัน